ข้อความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพติญานในวันนี้จะพูดเรื่องนาถากนธธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญกระทำบำเพ็ญใด้บังเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ควรรักษาไว้ด้วยเมื่อก่อนได้พูดถึงศีลในข้อต่อไปนั้นได้ทรงใช้คำว่าปุสจัก แปล ว, ว่าการศึกษาสะดับสับข่างมากโลกเรานั้นเป็นโลกของการศึกษาเรียนรู้เราเกิดมาท่ามกลางอาวิชาสิ่งที่เราสัมผัสครั้งแรกจึงเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเรามองถึงคำถามที่เราถามในชีวิตประจำวันเราถามตั้งแต่เกิดจากเกิดถึงตายนะเกิดจากพูดได้จนถึงตายนะ เรจะมีคำถามประมาณแปดเก้าคำถามว่าใครถามว่าอะไรถามว่าที่ไหนถามว่าเมื่อไรหรือเวลาเท่าไหร่แล้วถามว่าอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดให้โทษอย่างไงให้คุณอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรก็แต่แต่เนี้ยประทามไว้เลยอย่างนี้แต่เราก็ต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็สอบถามไปดูตลอด ทุกคราวที่มีการสนทนากันแม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่รู้ยตะมาได้รับเป็นประธานในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอยู่หลายครั้งคื อ, อยังนึ ก, กว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะยังน้อยเราไม่รู้ว่าเขาเขียนยังไง การจะไปซักไปถามเขาเนี่ยมาเราก็ต้องอ่านต้องอ่านโดยละเอียดจึงจะไปสอบก็ได้แต่เราไม่อ่านโดยละเอียดเราก็ไปซักเขาไม่ได้ไปสอบเขาไม่ได้แล้วก็มีเรื่องเป็นอันมากนะที่เราก็เพิ่งรู้เพิ่งกันดังนั้นการทํางานตรงนี้บางทีมันก็เป็นประโยชน์เป็นการบังคับเราเพิ่มพูนความรู้อา่านหนังสือชีหนึ่งสองสามร้อยหน้านะ วิทยานิพนธ์ก็ประมาณนี้ประมาณต้องสามร้อยหน้าต้องอ่านโดยละเอียดด้วยยั่งสามารถไปซักไปทุ่งติงไปตัดต่ออะไรอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทุกคราวเนี่ยเรารู้สึกว่าบางเรื่องเราก็ไม่รู้มันก็แสดงให้เห็นถึงอาณาจักรของความรู้เนี่ยยิ่งศึกษามากยิ่งไม่รู้มากนะเป็นเรื่องก่อนข้างแปล ก, กยิ่งศึกษามากยิ่งไม่รู้มาก เคยเทียบประเมือนกับเราภายเรือในคลองในเราเห็นทั้งสองฝั่งออกไปแม่น้ำในชั่วโมงไม่ชัดแล้วออกไปกลางทะเลเลยเรียบร้อยเลยคือไม่เห็นฟังเลยอันนันจากขอกา้อมูลภาษาเรียนรู้ก็มีลักษณะยอย่างนั้นก้นจึงไม่มีใครที่เรียกว่ารู้จริงนอกจากพระอริยบุคคล แต่ว่ารู้ที่สมบูรณ์เนี่ยนอกจากพุทธะทั้งหลายไม่มีใครได้จัดได้ว่าเป็นเข้าถึงความรู้ที่สมบูรณ์เพราะยังมีเรื่องที่ท่านยังไม่รู้อยู่แต่คนที่ละวิชาได้จริงๆเนี่ยมีเฉพาะระดับพุทธะสามประเภทเท่านั้นเองคือพระรานัสมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิกระพุทธเจ้าและพระรานตัสสาวกเท่านั้น เพาในการที่ใครไปเข้าใจว่าตัวเองรู้ไปหมดเนี่ยก็สีแดงแสดงว่าก็โง่อะนะพระเจ้าทรงแสดงหลักว่าอย่างหนึ่งว่าคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโง่เนี่ยสามารถเป็นคนฉลาดได้แต่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนโง่เนี่ยก็คือปรลบมาโง่มีคนไปถามคงจื๊ ว่ายังไงที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้ท่านบอกว่าสิ่งใดที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้นั้นแสดงว่าท่านรู้สิ่งใดที่ท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านรู้นั้นแสดงว่าท่านรู้แต่เราเห็นว่าที่จริงเรารู้ไม่ค่อยตลอดหรอกมันมีปัญหาต่างๆที่ติดตามมาอีกมากมา ย, เ, ยเรื่องบางเรื่องเนี่ย ก็เป็นการรู้ในแต่ละระดับสักนั้นเองเพราะคำว่าภูสัจจะก็ดีสุตตะก็ดีนะฮะภูสูตรก็ดีเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงสอนไว้ถ้าเรามองในแนวของมงคลสูตรทุกควรจะสังเกตว่ามันเป็นการเรียนรู้ทั้งเยอะเลยการเครบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควร การมีบุญกระทําไว้ในการก่รการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ระดับนึงแล้วก็มาเน้นที่ ป, ป 10, ุสัะจัปุสัะจันเจสิปัญจะวิเนโยจาสสิกิโตอันนี้ยิ่งรู้ใหญ่เลยยิ่งเรียนใหญ่เลยแล้วก็บนเส้นทางตรงเนี้มันมีการเรียนรู้มีการฟังทำตามการมีการสนทนาธรำตามการเป็นตน้น ตลอดจนบนเส้นทางแล้วก็เห็นแจ้งในเรยศสัท์ทั้งสี่จนโน้นน่ะไปถึงมงคลชุดสุดท้ายน่ะก็สุดท้ายเนี่ยก็จบเรื่องการศึกษาเรียนรู้เพราะว่าทำลายวิชาได้แล้วโดวยการเรีรู้รยศสัตว์ทั้งสี่ประการเพราะเราก็ยังเดินทางไกลเยอะที่จะยุติการเรียนรู้ได้เนี่ย ปัญหาใหญ่ในบ้านเราจุดอ่อนนะฮะกองสังคมไทยเนี่ยคือเราสังเกตว่าเราขาดการศึกษาสนใจเรียนรู้คือคนไม่ค่อยนิยมฟังนิยมอ่านนิยมสนทนาในเรื่องที่เป็นสาระแก่นสารจะทำให้เราขาดโอกาสไปเยอะเลยสิ่งที่นำมาโฆษณาชักชวนเชิญชวนกระตุ้นเร่งรา่า ลคล้ายจะทำให้ได้ประสบพบเห็นแล้วก็ถือว่าเสียชาติเกิดอะไรตอนมองนั้นเนี่ยนะัตนดูแลมันก็ไม่ค่อยมีสาระแก่นสารอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้คือดูตนให้ออกบอกตนให้ได้ใช้ตนให้เป็นเนี่ยเรไม่ค่อยเน้นการศึกษาในแนวนี้การศึกษาในแนวที่เราเรียกว่าปูสูตรหรือปูสัจจะ หรือสุตะจะทรงสอนในรูปที่เป็นกระบวนการแล้วกระบวนการตรงเนี้ยอาตอมาก็ยังทําใจยอมรับพวกสปสพวกสภาการศาึกษาปกครองมิจฉ า, าเนี่ยไม่ได้นะอ่ะไรยังทําใจยอมรับไม่ได้เลยที่เขาปฏิเสธการจําคือไม่ให้ท่องแล้วหาว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนอทองตัวเองท่องเป็นนกแก้วนกขุนอทองแต่เราไม่ได้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนอทอง คือเราคิดเราหาความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่างอาจจะจริงเนียก็มีครัหนึ่งรู้สึกว่าเป็นปัญหาคาใจคือเราไปอบรมพวกศึกษานิเทศจำนวนเยอะตั้งสามร้อยกว่าแล้วก็ถามปัญหาขึ้นมาคามํา้หนึ่งว่า คำมาพร้อมเบนจะพิจารณาสุจริตปิมนสายเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษจริงน่ยหมายความว่ายังไงไม่น่าเชื่อนะไม่มีใครตอบได้หรือท่านจะไม่ตอบก็ไม่รู้แต่ว่าไม่มีคนตอบก็ได้กันแล้วก็กถามมาทําไมจึงตอบไม่ได้ท่านบอกว่าท่านไม่เคยคิดถ้าท่านสอนกันอย่างนั้นมันก็ใช่อ่ะ แต่ว่าจริงๆพระเราไม่ได้สอนเป็นนกแก้วนกคุณทองนะฮะพระเราสอนเราจําแล้วเราจะต้องหาความอธิบายให้ได้โดยอัตถะอย่างนั้นโดยพยัญชนะอย่างนั้นเพรแนวของพระนี่เราจะเห็นว่าราท่องเช่นท่องสุภาษิตอัตติอัตโนมณ์ถแล้วคุณต้ออธิบายมาให้ได้หมายความว่ายังไงทีลังยาวัชราทาสาธุศีลให้ไปให้สำเร็จประโยชน์สาวเท่าชาาคุณไปอธิบายมาหมายความว่ายังไง เขไม่ได้ศึกษาเด็กนักแก้วนักขุณทองนะแล้วก็ยังนึกว่าการศึกษาในทางโลกเนี่ยมันน่าจะก้าวหน้ามากกว่านั้นทำไมยังเชื่ออย่างยังท่องเป็นแบบนักแก้วนักขุณทองอยู่ได้ท่านาศาสนาก็ไม่เคยสอนอย่างนั้นนะแต่ว่าสอนไปเป็นกระบวนการเพราะฉั้นโพสูตรเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ก็เป็นการพัฒนาปัญญาระดับของการเรียนรู้ระดับสุตตามายะปัญญากับกินตามายะปัญญานะ่จึงเป็นการเรียนรู้รจากข้างนอกคนนี้คุณสังเกตว่าความเห็นชอบที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้มาจากข้างนอกนอก็ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้านี่แหละ ทานเรียกภาษาบาลีง่ายๆว่าปรัตโตโคสคือฟังมาจากที่อื่นแต่ที่จริงก็คือภาษาสัมผัสทั้งห้านั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะฟังอย่างเดียวล้วก็นนำเรื่องหมดนั้นมาคิดด้วยวิญาณยนโสปนาสิการะแล้วโครงสร้างเนี่ยแม้จะพูดสองข้อนะฮะแต่เนื้อหาสาระแล้วก็เท่ากับห้าข้อห้าขั้นโดยเจ้าทรงแสดงเกณฑ์กาหนดของความเป็นบูสูตรเอาไว้ มันเป็นกระบวนการทางจิตซึ่งทําหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสจําอารมณ์ที่ผ่านมาทางประษาสัมผัสคิดอารมณ์ซึ่งตัวเองจำเอาไว้แล้วความรู้ก็จะเกิดลึกซึ้งขึ้นไปโดยลําดับลําดัๆนะในสํมควนระดับพิสุทธิที่มากเป็ท่านเรียงไว้สามระดับคือเป็นความรู้ระดับระดับจําระดับนกแก้วนกขุนทองนะะ เขาเรียกว่ารู้จำแต่ความรู้แจ้งก็คือรู้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉลาดในแง่มุมใีความรอบรู้มีความเข้าอกเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนไปถึงความรู้ระดับทิฏฐิระดับปัญญาเป็นอิสระแล้วนะฮะจากพันธานาการจากเงื่อนไขต่างๆ สามารถที่จะมองผ่านสิ่งต่างๆเอาไปได้อีกเป็นอเนกันนั้นเมื่อเราจะพบว่างานของพระโดยเฉพาะระดับวิปัสสนานี่คิดโดยเฉพาะเลยนะพิจารณาโดยเฉพาะเลยแต่ถ้ยิงเราเริ่มมาจากจิจตามมัยจปัญญาแล้วนะเริ่มกระบวนการในการคิดมาจากจิจตามมัยจปัญญาแล้วที่น้าสลดก็คือว่าที่พวกไปอ้าง การามาสูตรกันอัตมาได้รีบเปลี่ยงการามาสูตรขึ้นไว้เล่มค่อนข้างใหญ่สองร้อยกว่าหน้าการามาสูตรพูดไว้ยังไงไปชี้ประเด็นใ้เห็นว่ามันไม่ใช่นกแก้วนกขุนทองจะเป็นการามาสูตรนั้นเป็นการสอนระดับยินดามยาปัญญาโดยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรใหม่แก่เขานะั หมความหน่วยความจําก็เท่าเดิมก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้มายังไงก็จําไม่เท่าไหร่ก็เอากันเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณเอามาคิดได้วยกันเพราะแต่เราเข้าใจกันรามาสุรแล้วก็ไม่อ้างกันเบื่จนมั่วไปหมดเปแล้วเนี่ยจนจ น, จนไม่มีทิศทางอะไรไม่รู้จะเอาอย่างไงกันแน่แม่เชื่อแม้แต่ปัจจัยวดกคมพูดออกมาได้ ไม่เชื่อแม้แต่ว่าท่านนี้เป็นครูอาจารย์ของเราก็ไม่เชื่อและไม่รู้เชื่อใครนะที่จริงเนี่ยพระสูตรหรือพรสัจจะเนี่ยเป็นการพัฒนาปัญญาแต่ว่ามันมีศรัทธาเนี่ยกำกัากาบอยู่ยด้วยหมายความแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยต้องมีความชัดเจนพสมควร แหล่งที่มาของข้อมูลบางแหล่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีคิดอะไรก็ได้นะเชื่อได้เลยแต่แหล่งบางแหล่งเนี่ยมันต้องคิดเป็นระบบฟันท่ทานพระเจ้าจึงทรงเรียงไวน้นะเรียงด้วยภาษาบาลีวสุตะคือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสตรงนี้เป็นข้อมูลที่มากเท่าไหรยิ่งดีเพื่อตเราเที่ไปดีแล้วเนี่ยจิตใจของเรานั้นเหมือนกับโรงงานประสบการณ์มือนกับวัตถุ ประสบการณ์จะมีคุณภาพยังไงก็ตามกองเป็นภูเขาเรากาอย่างไงก็ได้แต่ว่าโรงงานไม่มีประสิทธิภาพมันก็ผิดอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันกถ้าโรงงานมันมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าวัตถุดิบมันไม่มีคุณภาพต่ำมันก็ผิดอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะเราจะรู้หน่วยความจํากับการคิดเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันจะสามารถพัฒนาความคิดขึ้นไปได้ตามโครงสร้างของ รู้สัจเนี่ยพลกนนารศึษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางภาคสนาม ท, ทางประสาททางประสาสัมผัสมาเนี่ยมากเท่าไรยิ่งดีเรียกว่ามีประสบการณ์มากกันแล้วกันแล้วก็สามารถจำจำโดยกรอบโดยเนื้อหาต่างๆเราก็ไม่สามารถจะจำได้หมดหรอกแต่ว่าหน้าเนี้ กรอบเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงบทนี้ทั้งบทเนี่ยคือประเด็นหลักมันคืออะไรเราอ่านหนังสือไปเราก็จำทุกตัวไม่ได้เราจาทุกบรรทัดไม่ได้เราแต่ว่าบทแต่ละบทเนี่ยต้องสรุปจับประเด็นได้นะนั่นก็คือหน่วยความจำระดับหนึ่งแต่ในบทแต่ละบทเนี่ยหน้าบางหน้าเนี่ยมันมีสูตรมีกฎมีเกณฑ์มีหลักการที่ว่าพูดอย่างอื่นไม่ได้ละ เช่นสมมติว่าเราพูดว่าทามีอุกปรกรณ์มาสองประการแล้วเราไม่จำไว้ทอทํำยังไงก็ยังนึกถึงเรื่องดอกเนี้ยว่าที่เขาพูดปฏิเสธความจําก็เคยถามในที่ประชุมครูนะตอนนี้อบรมครูอยู่เยอะถามว่าเมื่อเด็กไม่จําเนี่ยสมมติว่าก็ถามว่าคุณปู่ชื่ออะไรเด็กไม่จําชื่อปู่แกบอกชื่อปู่ยังไม่ได้ แล้วคนนี้ไม่จําเนี่ยมันเป็นคนอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะสัตว์เดียร์ฉันก็ต้องจํานะเพราะคนเองก็ต้องจําเพราะจํามาเป็นงานของจิตมาเป็นสัญญาขันขนะขันทั้งขันหนึ่งนะและเป็นขันได่มีความสําคัญอ่ะเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิตมีฐานะเป็นเขาเรียกว่าจิตสังขารคือสิ่งที่ปนปรุงจิตเพราะในสูตรหลักบางสูตรเดี๋ยมันต้องแม่นนะ ต้องแม่นว่าศีลห้าข้อที่หนึ่งว่ายัางไงที่หกว่าที่ที่สองที่สามว่ายัางไงเนี่ยถ้าเราไม่จำเราทำนีว่าตอมั่วๆตอมั่วๆมันก็ไม่ตรงตามข้อนั่นคือประเด็นที่อยากจะฝากในวงการศึกษ า, าไวน้นะฮะจะมีคนฟังบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มาก็มองแล้วก็ขำๆอะ่ะแต่เวลาตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมเนี่ยก็ไม่มีใครก็ค้านอะ่ะไม่มีใครก็ค้าน เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนว่าโดยตรงเธอเป็นเรื่องที่อยากให้คิดเอาไว้นะว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นจากสัพพยุตญาณนะกระบวนการเรียนรู้แบบที่เราเรียนกันอยู่วิชาการทั้งหลายข้างนอกเนี่ยพุทธศึกษาหัตศึกษาพรศึกษาที่เราเรียนจากข้างนอกเนะี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของโพสัจจ์ือประสบการณ์ต้องมาก แล้วก็จําไม่ได้มากบางทีเป็นสูตรเป็นกดเป็นเกณฑ์สูตรเคมีสูตรฟิสิกสูตรซีโกนอะไรต่งตางๆเนี่ยแม้แต่สูตรทําขนมอแกงทําแกงอะไรปรุงอาหารต่งตางๆมันอยู่ในสูตรของมันนะคุณไม่จำแต่คุณจะทําทได้ไงเพราะฉะนั้นคำคำต่อไปเนี่ยชงใช้ชคําสําคัญนะวัจจะสาปริจิตตาคือสั่งสมไว้ในวาจาหรือว่า บางเรื่องเนี่ยบางแห่งทรงใช้ก็มาวาจุกกตาคือต้องคล่องในคร่องปากต้องแม่นนะเป็นแม่นเป็นบทอายานพระเรียนบาลีเนี่ยสมัยมารเรียนบาลีเนี่ยอาจารย์มันพูดไว้มันบอกไว้ท่องจนขนาดว่าตกบันไดสิบเจ็ดขั้นเนี่ยลูกขึ้นมาเนี่ยคุณต้องว่ายได้และจึงจะให้หยุดเวลาเรียนบาลีเนี่ยบางวันเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อธิบายเลย นั่งหลับตาเฉยปล่อยเราท่องเป็นบทอาฆานกันอยู่เป็นเล่มๆนะฮะท่องกันเป็นเล่มๆ เ, เลยแต่มันดีที่ว่าเราท่องเมื่อสมัยเราเป็นพระหนุ่มๆเดี๋ยวนี้เราก็ยังจําได้บวชมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะเราก็ยังจําได้ยังยังยังสามารถว่าได้เรียบร้อยไม่ประาดาเลยไอ้กฎเกณฑ์ตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นหลักที่เราใช้ในการศึกษาทั้งข้างนอกและข้างในนะฮะทั้งคดิโลกคดีธรรมแต่มันต้องแมน่น แต่จากนั้นก็นํามาคิดนี่คือประเด็นเห็นไหมว่าของที่เขาพูดกันข้างนอกเนี่ย mm hmm. เขาเบนนึโกโรยพิจาสอนไม่ใช่สอนตรงนั้นไม่ใช่สอนเพียงเท่านั้นแต่ข้อที่น่าสังเกตว่าพระเราเองเรียนส่วนใหญ่เนี่ยที่เรียนกันในชั้นเรียนนะฮะไม่ใช่เรียนกันโดยทั่วไปเรียนในชั้นเรียนเนี่ยส่วนมากก็เรียนแบบจํา อาตอมาค่อนข้างมีความขัดแย้งกันเวลาไปสวดข้อสอบนะความบาลีเนี่ยเดือนนี้เลิกสวดเลยคือมันอึดอัดรำคาญนะะคือเราสวดเนี่ยเราใช้ความเข้าใจเป็นเกณฑ์เราไม่ดูคําถามเราไม่ดูคํำเฉลยเราดูเฉพาะคาถามถามมายังไงเราก็ดูเองนะฮะนักเรียนตอบอย่างไงเหมาะควรแก่วุทธิภาวะไหมนะคำตรีนะคาโทนะคําเอกไปรเรียนอะไรเราก็เห็นว่ามันเหมาะควรแก่วุทธิภาวะเราก็ให้ แต่ไยว้เธอผ่านนะไม่เคยดูว่าเฉลยก็เฉลยว่ายังไงแต่วิธีการลองพระนี่เขาจะมีเฉลยด้วยนะแต่มาไม่เคยอ่านอเฉลยนะเนี่ยพราะปทศก้าวไปเฉลยนะครับยัตรีนะครับยัตรีจะตอบเป็นปทศก้าได้ยังไงกพรท่านสอนในคิดเรียกว่ามณส า, านุเปคีตานะฮะคือนํามาเพ่งพิพพนิจพิจารณาด้วยใจคิดได้ได้คิดได้ดีคิดไ ด, ด้เป็นคิดได้ชอบคิดได้มีเหตุมีผล อันนี้เป็นเหตุของอะไรอันนี้เป็นผลของอะไรเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับมันสามารถจะคิดได้เป็นกระบวนการได้เป็นระบบได้แล้วก็มองทะลุผ่านมิติต่างๆไปสู่อีกลหลายๆมิติได้คือเราเห็นว่าเมื่อเราใช้ระบบความคิดเนี่ยมันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีพวกที่เหมือนกันคือพวกเดียวกัน นะพวกที่ตรงกันข้ามพวกที่ ค, คล้ายคลึงกันพวกที่แปกเพียนกันแล้วแสดงว่าเราเห็นอย่างเดียวเนี่ยสามารถมองได้ถึงสี่อย่างเช่นสมมติว่าเรามองดอกไม้เนี่ยมองดอกกุหลาบแต่เราคิดเป็นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปดูมันดอกกุหลาบรูปสวยกลิ่นหอมมีดอกไม้ชนิดอื่นๆที่รูปไม่สวยด้วยกลิ่นไม่หอมด้วยคือตรงกันข้าม ในขณะเดียวกันก็มีดอกกุหลาบชนิดอื่นที่รูปก็สวยกลิ่นก็หอมเหมือนกันมาความเหมือนกันก็มีทรงกันข้ามกับนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีดอกไม้บางอย่างที่รูปสวยแต่ว่ากลิ่นไม่หอมก็แสดงว่าเหมือนดอกกุหลาบในกรณีของรูปแต่ว่าผิดกันในกรณีของกลิ่นมีดอกไม้ชนิดหนึ่งรูปไม่สวยแต่ว่ากลิ่นมันหอม มันก็เป็นเหมือนกับกุหลาบในตอนที่กลิ่นแต่ว่าผิดกันในตอนที่เป็นรูปอันนั้นก็คือเกิดมาจากความคิดเอาโดยไม่จําเป็นจะต้องไปต้องต้องไปดูให้หมดครบทุกๆอย่างมนุษย์ควรมีจินตนาการและมาเป็นคนสอนหนังสือมากแต่ว่าไม่เคยใช้ไอไอหัวกะโลกะดูไขอะไรนั่นไเลยก็เรียกอะไรไม่ว่าโอวเวเฮดอะไรเนะี่ยไม่เคยใช่เลยมาว่ามันรู้สึกส่งเสริมคนให้ปัญญาอ่อน คือมนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการจากภาษาก็เรียกว่าภาพพจน์เนี่ยคือหมายความมาพจน์จะไม่สร้างภาพได้มนุษย์ไม่สามารถจินตนาการก็เลยก็ทําให้ดูหมดได้จับไม้ดูหมดเล ย, จ, เลยจินตนาการเอาบ้างได้ไหมล่ะเพราะว่าผิดผลทั้งหลายทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะความสําเร็จทั้งปวงในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจินตนาการเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ย มันจินตนาการไปอีกฟางหนึ่งแลาวเมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอกกาตไอ้แก่มาจากไหนแก่มาจากเกิดเมื่อมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดทีนี้เกิดมาจากไหนมันก็ต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปถ้าเกิดมีที่มาเนี่ยเล้วที่ที่ทําให้ไม่เกิดก็ต้องมีด้วยเห็นไหมเมื่อเกิดในจินตนาการสิ่งตั้งหลายนั้นมันเป็นข้อมูลอย่างหนึง่งทว่าเจ้าไม่จินตนาการมันก็จบ แม้แต่เครื่องบินไรา ย, ยานต่างๆดีไปสังดาวเรือดำน้ำดำเนิมานจินตนาการนะแล้วเกิดถึงจุดหนึ่งก็เรียกทิฏฐิยาสุปิติวิทาคือคบเจาะด้วยความคิดความเห็นคงตนมีความเข้าใจมันจะพลิกแพลงมาอย่างไรก็ตามเราก็เข้าใจแต่ไม่ใช่เราเข้าใจไปทุกเรื่องไงเราไม่ใช่สับพันดูแต่ว่าในสายก่นแต่ละสายเนี่ยนะในความเราอ่านนิทานเราก็มองผ่านนิทานก็ไปหาธรรมะได้ เรามองประวัติศาสตร์มองสังคมมองการเมืองมองอะไรก็ตามที่มันเป็นปรากฏเป็นข่าวพราวเนี่ยแต่เรามองจากมิติของธรรมะได้สมมติเวาจะต้องไปบรรยายพระพุทธศาสนากับความมั่นคงแห่งชาติอย่างนี้นะภาษาสวิงสวยระสมควรแต่ถ้าเราเข้าใจว่าความมั่นคงคืออะไร เราทำในพุทธศาสนาว่าไว้อย่างไรในเรื่องนั้นๆเดากก็สามารถว่าไปจบๆๆได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีเศรษฐกิจมีสังคมมีการเมืองมีการทหารเป็นแบบหลักเป็นสูตรหลักพุทธศาสนาก็แสดงเรื่องเหล่านี้เอาไว้พุทธศาสนาเป็นวิชาการด้านสังคมศาสตร์แล้วก็เป็นแม่ของวิชาการสังคมศาสตร์ทั้งหลาย ในขณะเดียวกันทุกศาสตร์มันก็เป็นวิชาการเนื้อหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้ระบบความเข้าใจเนี่ยระบบความเข้าใจมันก็มองผ่านไปสู่มิติต่างๆได้โดยไม่จําเป็นเนยต้องไปอ่านเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากสัพพัญญุตยานถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วเนี่ยความรู้ธรรมดามันก็ไม่ค่อยยากอยนอะไรที่จะทําความเข้าใจทั้งฝั่งทั้งไหล ใตรม่มพระพทธาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงแบบ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผูกฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี